ต่างก็ยิ้มย้้มแจ่มใสหยิบจัดเครื่องปรุงแต่งเติมกว๋วยเตี๋ยวจนหน้าดูน่ากินส่งให้คนที่รอคิวอยู่ทั้งผู้เท่าผู้ยาวทั้งหลายได้ลิ้มรสอาหารจากฝีมือน้อ ย, อยๆของพวกเขาเฮียโฮได้พักในช่วงที่มีเด็กนรเรียนมาช่วยแกมองดูเด็กๆ ด, ด้วยความสุขใจที่เห็นพวกเขาให้ความช่วยเหลือด้วยใจพวกเขามุ่งทางานถวายหลวงตา